ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องสันเลขสูตรสืบต่อไปพระพุทธธรรหรัสในข้อต่อไปนั้นรับสั่งว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ลูกครัมทิทฐิของตน ยึดถืออย่างมั่นคงและสลัดทิ้งไปได้โดยยากในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ลูปคามทิฐิของตนมิยึดถืออย่างมั่นคงและสลัดทิ้งไปได้โดยง่ายหรืออย่างที่บอกแล้วว่าเป็นประเด็นที่เป็นหัวข้อใหญ่มาตั้งแต่ต้นคือพระมาจุนทะกราบทูลถึงสภาพสังคมที่ มีการยึดมั่นถือมั่นในอัตตากับโลกว่กเชื่งบ้างไม่เชี่งบ้างก็มีการถกเถียงกันแล้วท่านก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงทำเป็นเครื่องขัดเกลาจิตจากความยึดติดในาตาและความยึดติดในโลกพระเจ้าก็ทรงแสดงมาโดยดําดับก็มาถึงข้อ ส่งสรุปตรงนี้แต่ว่าในช่วงกลางเนี่ยส่งย้อนกลับไปที่หลักของกุศลกำหนดทั้งสิประการแล้วก็หลักของอริยมรรคมีแปดประการอีกต่อหนึ่งรัก่งในข้อต่อไปว่าตุกขอนจุนท่าเปรียบเหมือนทางที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีทางอื่นที่ราบเรียบไว้าสาหรับหลีกทางที่ไม่ราบเรียบนั้น อันหนึ่งเปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีท่าที่ราบเรียบสมับกลีกท่าที่ไม่ราบเรียบเหล่านั้นความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั่นและมีไว้สมับกลีกเลี้ยงบุคคลผู้เบียดเบียนคือสรุปกระทางในโลกเนี่ยที่จริงมันก็มีสองทางคือเราจะพูดประเด็นไหนล่ะประเด็นทางที่ดำเนินไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็เริ่มต้นจากกิเลส จะพูดระดับสมุทยัยจะพูดระดับของโลกของโกรธของหลงของริษยาอาฆาตอะไรก็ตามจุดหมายปลายทางมันออกมาเป็นทุกข์่ทางตัวนี้อาจจะเรียกอาบายปลวาความบริจจเจริญไม่ได้ตัวเหตุเนี่ยคืออกุศลคือความโง่แล้วก็ออกมาในด้านต่างๆก็กลายเป็นทุกขติ เป็นวินิบาตเป็นนรกเป็นอสุรกายก็รายละเอียดก็ออกไปได้่อยๆแล้วก็เหมือนกับมีท่าหรือมีทางนยมันก็มีท่าที่ไม่ราบเรียบก็ท่าที่ราบเรียบหรือทางที่ราบเรียบก็ทางที่ไม่ราบเรียบท่าที่ไม่ ร, บรบารบเรียบเดินไปก็ลําบากท่าที่ไม่ราบเรียบก็ข้ามจะขึ้นหรือจะลงก็ลําบากแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทางมาันราบเรียบ แต่ถ้าราบเรียบมันก็ง่ายแตปัญหาก็ง่ายสำหรับใครอีกในข้อนี้มันก็เป็นสูตรคือทางควรเดินมันมีอยู่เยอะแต่คนไม่เดินเองก็กลับเดินในทางที่ไม่ควรเดินคล้ายๆกับใบมุกเป็นทางของเสิร์ความเสื่อมพูกันแล้วพูดกันอีกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมา ดูพงสาวะา ا อักษรโบราณเมื่อไหรก็เมื่อนั้นเจอแต่พวกอบาบยมุกเจอทางแห่งความเสื่มปู่ย่าตายายอบรมธรรสอนมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเราดูในชาดกทั้งหลายมันก็สอนมาอย่างนั้นเนี่ยแต่คนก็ยังหลงทางอย่างนี้น ก็แสดงมาทางที่ไม่ราบเรียบคนก็ยังเดินอยู่ถ้าที่ไม่ราบเรียบคนก็ยังขึ้นลงอยู่แต่ในที่นี้ทรงแสดงทางที่ราบเรียบกว่าท่าที่ราบเรียบมันขึ้นลงสบายสมบหรบคนดีถ้าที่ไม่ราบเรียบหรือทางที่ไม่ราบเรียบก็เป็นที่พอใจชอบใจของขุนชัว จนได้ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ความดีทำได้ยากแล้วก็อยู่ที่ว่าใครทำใครเดินใครขึ้นใครลงก็กลายเป็นความแตกต่างในความที่ไม่แตกต่างคือเมื่อก่อนเป็นยังไงก็วันนี้ก็เป็นอยางไงเนะี่ คนเขาต่อไปก็รับสั่งรับสั่งถึงการงดเว้นจากอากุศลกรรมบททั้งสิบประการก่อนนะฮะก็มีไว้สาหรับอีกเลี่ยงบุคคลผู้อะไรละ่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์รืดผิดในการพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเดียวไหลพูดเพ้อเจอ้อ โลภอยากได้ของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากตันองคลธรรมก็ทรงแสดงทั้งสองทางพระเจ้าเป็นผู้ชี้บอกชี้ทางมัรรทออุทกชี่สุขเกษมสารทุกบังกรอ ย, อยู่ข้างหน้าสุขบังกรอ ย, อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทางก็มีอยู่ตรงนั้นแหละก็เลือกเอาเอง และจากนั้นก็มาส่งแสดงถึงอเ น, นมกมรรคพิอง8ปประการก็ทรงใช้ความอย่างเดียวกันว่าความดำริถูกความเห็นถูกความดำริชอบเราคุ้นความเห็นชอบความนริชอบว่าจะชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิมั่นชอบก็มีไว้สำนับหลีกเลี่ยง หรยกเบี่ยงอะไรเรืกเบี่ยงความเห็นผิดความดำริผิดการพูดผิดประพฤติผิดแล้วก็ยิงชีพผิดพยายามผิดตั้งสติผิดแล้วก็ตั้งสมาธิผิดผลทางเดิน ม, มันก็มีอีกเรียกอย่างหนึ่งว่าสัมมามัชกฌกมิชามาัชฌสัมมามัชฌก็คือทางดำเนินไปในทางที่ชอบ สัมผัสสุขสัมผัสความส ง, งบสัมผัสความประนีตถ้าเราพูดตามพระสูตรนี้นะฮะคือเราเห็นว่าระดับสีนเนี่ยมันก็ให้การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสรายกันกุศลกำรมดสิ0ข้อแรกอริยมรรคสามข้อที่เป็นสีสิขาคือสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะ เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติคนจะอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันอันเป็นปัทถุปัทถุผสมร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นจากพลังของเมตตาเราจะเหนว่าองค์ธรรมเหล่านี้ถ้าเรานับแล้วก็ถึงหนึ่งสิบข้อเป็นส่วนศีลสิกขาเป็นหลักการอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน ทีนี้พอมาถึงระดับสมาธิที่ทรงแสดงในที่นี้นะจนถึงอรู ป, ปิชาเนะี่ยเรียกว่าทิฏฐธรรมสุกวิหารพอมาถึงระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เรียกว่าสันติวิหารธรรมคือธรรมะที่ช่วยให้อยู่เป็นสุขแล้วก็เป็นเครื่องกัดกรา แต่ว่าพอถึงจุดของศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ถึงการ น, นิพพานหรอกไม่ถึงการทำลายอัตตาได้แต่มันลดความรู้สึกรุนแรงลงไปได้มันถ้าจะทำลายได้จริงๆเนี่ยต้องศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเพราะใน ในข้อต่อไปก็ส่งแสดงคือเราจะเห็นว่าจุดที่สงเน้นเนี่ยในในระดับนี้สงเน้นที่การไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนปะทัสรายกันแนวตรงนี้ท่านฟังลองสังเกตว่าคือแนวอาเสวนาจะพาลนานังบัณฑิตานันจะเสวนาแต่พอตรงนั้นพูดคน ส่นั้นเอาคนมาเป็นตัวแทนของความชั่วกับความดีอย่าเข้าพานนะเพราะพานเป็นที่สะท้อนออกของความชั่วการพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วถ้าเราประตามเขาเราก็พูดชั่วคิดชั่วตามไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราขวหาสมาคมกับบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนพูดดีทํำดี คนพูดดีทำดีคิดดีเราก็กลายเป็นคนพูดดีทำดีคิดดีตามไปด้วยเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วก็คนจะมาพบกันเองที่การระดับสีง ก, ก็คือการไม่เบียดเบียนกันระดับสมาธิคือทิฏฐธรรมสุขวิหารการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน แล้วก็ไปนิริขขึ้นไปก็เป็นสันติญีนธรรมนักล่าวพมก็ทรงแสดงไปเรื่อยๆตามลำดับเดิมที่ทรงแสดงไว้นะแต่ว่าเป็นการแยกแยกเฉพาะควรเดินหรือไม่ควรเดินจากนั้นก็ไปความรู้ที่ชอบ คือสมัยญาณะเนี่ยมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความรู้จี๊ผิดแล้วก็ความหลุดพ้นในทางที่ชอบก็มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิดต่อหลุดพ้นผิดเนี่ยแบบรัสปูตินหลุดพ้นผิดผิด คนก็เข้าใจใท่านเป็นอะไรไปไม่รู้แต่ว่าผลท้ายท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นน่เป็นการประมวลธรำพระสูตรเนี่ยเป็นการประมวลทำที่เน้นย้ําให้รายละเอียดไว้ทั้งหมดแต่ว่าตัวที่เน้นจริงๆเนีน่ยเน้นที่สมุทัยกับเน้นที่มักเพราะว่าทุกกนณีรอดเนี่ยมันเป็นผล จริงเราไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ทําไปนะทุกเพียงแต่กําหนดรู้เอาไว้นิโรธเพียงแต่เพี่ยงแต่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เราก็ไปงดเว้นที่ตัวเหตุที่เกิดทุกและไปสร้างเหตุได้เกิดผลคือนิโรธสุขคือนิโรธแต่การต่อไปก็ทรงทรงดึงมาทั้งหมดนะ่ะทีนั้นมิถะความง่วงเหงาหานอนเพื่อหลีกเลี่ยงคนที่ถูกเทียมมิทะครอบงำ ความพุงส่านมีไว้ผลิตเลี่ยงบุคคลผู้มีความพุงส่านผู้ข้ามความสงสัยมีไว้สมบับิผลิตเลี่ยงบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธมีไว้สมบับิผลิตเลี่ยงบุคคลผู้มักโกรธผู้ไม่ผูกโกรธมีไว้ผลิตเลี่ยงบุคคลผู้มักเข้าไปผูกโกรธความไม่ลบหลูคุณท่านมีไว้สมบับิผลิตเลี่ยงบุคคลผู้มีการลบหลูคุณท่าน การไม่ตีเสมอเขามีไว้สมัครปลิกเลี่ยงบุคคลผู้มักตีเสมอเขาความไม่ริษยามีไว้สมัครปลีกเลี่ยงคนที่ริษยาความไม่พจนีมีไว้สมัครปลิกเลี่ยงคนที่ตนีแล้วก็ความไม่โอ้วดมีไว้สมัครปลีกเลี่ยงคนผู้โอ้วนทั้งทางเราสังเกตนะ่ะตอนก่อนเนี่ยตอนก่อ น, นทรงใช้คนอื่น ก็หมายความว่าเอาตัวคนมาพูดเหมือนกันเอาตัวคนมาเป็นตัวสะท้อนธรรมเหมือนกันแต่ว่าในที่นี้จะสรุปประเด็นให้สั้นลงประเด็นสั้นข้าวนะเช่นว่าพระก่อนเนี่ยรัสั่งว่าเธอทั้งหลายพึงทำความขัดแรว่า้นเราอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ หมายความว่าเราใช้เขาเป็นบทเรียนในตอนแรกเนี่ยแล้วก็ไม่ทำตามแต่ในที่นี้เนี่ยใช้เขาเป็นบทเรียนในการหลีกเลี่ยงไม่ข้อหาสมาคมเกี่ยวข้องหรือไม่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเขาก็เป็นการเรียนธรรมะจากคนแต่ว่าคนที่ควรเว้นก็เน้นไปที่บุคคลที่ควรเว้น แล้วก็ความไม่ริษยามีไว้สมัครบลิกเลี่ยงบุคคลผู้มากไว้ด้วยความริษยาความไม่สนีมีไว้สมัครบลิกเลี่ยงคนที่ตัวหนีความไม่อวดมีไว้สมัครเลี่ยงคนอ้วดความไม่มีมารยามีไว้สมัครบลิกเลี่ยงคนที่มีมารยาความไม่ดื้อดึงก็มีไว้สมัครบลิกเลี่ยงคนผู้ดื้อดึงความไม่ดูหมิ่น ก็ไม่ไหลีกเลี่ยคนที่พูดบุมินคนอื่นคือจะไปคบอะเพราะว่ายังเวเสวติตาดิโซบุคคลคบบุคคลเช่นใดเป็นมิตรและเสพสนิทกับบุคคลเช่นใดเขาย่อมเป็นบุคคลชนิดนั้นคนคขาคนดีเขาจะเป็นคนดีคขาคนชั่วก็จะเป็นคนชั่วผลคนฉลาดก็ต้องหลีกเลี่ยง ในครอบครสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นแล้วก็มาเนี่ยความเป็นคนไม่ดื้อ ด, ดึงเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ดื้อดึงไม่ดูหมิ่นท่านหลีกเลี่ยงผู้ ด, ดูหมิ่นท่านว่าง่ายสอนง่ายมีไหวผลหลีกเลี่ยงบุคคลผูดด้ไหวยากสอนยากมีมิตรดีมีไหวผลหลีกเลี่ยงบุคคลที่มีมิตรเลวแล้วก็ไม่ประมาทมีไว้สมบัติลีกเลี่ยงบุคคลผู้ประมาทความเชื่อมีไว้สมบัติหลีกเลี่ยงผู้ไม่มีศรัทธา ความร้ายต่อบาปมีไว้เพ <to be> <activates Italia> ื่อหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความเป็นบูสตรคือมีการศึกษาสดับต่อฟังมากมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่ขาดการศึกษาขาดการสดับต่อฟังความเพียรมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลที่เกียดคร้าน มีสติตั้งมัน่นมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีสติตั้งมัน่นความเป็นผู้ไม่ลูกครัม่มจิตจิของตนไม่ยึดมั่นคงและความสลัดทิ้งได้โดยโดยง่ายเนี่ยมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงเป็นทางนะฮะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ลูกครั่ด้วยความคิดเห็นของตนแล้วก็สลัดทิ้งได้โดยยาก ทีนี้จากนั้นก็ตรงเน้นก็แนววัสดุอแล้วสั่งว่าลูก่อนจุนท่าเปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเอตได้ถึงภาวะเบื้องต่ำคือภูมิจิตมันต่ำพบที่จิตแต่อุบัติมันต่ำภูมิธรรมต่าภูมิจิตต่ำพบที่จิตอุบัติมันต่ำ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าลงใต้ดินนะแต่พูดว่าอาวังศิราอาวังสิโรคือมีหัวหปักลงคือท่านเรียกว่านิระ ย, ะระยะโลกนิรยโลกเป็นอบายภูมิเป็นเปตะโลกแล้วก็เป็นภูมิอสุรกาย ทนี้กุศลทั้งมวลเนี่ยกุศลทั้งมวลมันมันมันมันเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องสูงคือเขาเนี่ยยกระดับจิตคนขึ้นสูงหมายความภูมิธรรมเนี่ยมันจะสูงภูมิจิตจะสูงภพปีจิตอุบัติก็สูงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะจนกลายเป็นอะไรล่ะสุกติเจดคือนับมนุษย์ด้วยนะ แล้วก็เป็นเป็นเป็นสวรรค์อ่เป็นสุขติภูมิเขาเาไม่เรียกสวรรค์มนุษย์พรมติดมนุษย์ยด้วยเขาเรียกสุขติภูมิแล้วก็เป็นพรหมโลกส6บหกอรูปพรหมสี่เราเขียนว่าทารกยี่สิบเจ็ดยี่เจ็ดเป็นอบายสี่ก็สามสิบเอ็ดทางสุน้มี ม, มากกว่าทั้งเยอะนะ แต่ก็แปลกอะ่ะคนชอบเบียดเสียดเข้าในทางทุกข์มันเรานึกถึงภาพาวัดเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่เปิดประตูไว้แม้วัดจะปิดประตูบ้างเนี่ยมันก็ปิดบางประตูแต่มีประตูเปิดหมายความเป็นสถานที่แห่งเดียวที่คนเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่เก็บค่าผ่านประตู บางคนก็ไปข้าวเดนี้พวกหนึ่งก็ข้าเข้าทุกวันนะฮะคือเข้าเอารถไปแจจอดทิ้งไว้ในวัดแล้วตัวเองก็ไปทำงานที่ไหนตอนเย็นก็มเอารถคืนไปตอนที่วัดวอเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่มีคนไปแอบเก็บสตางค์ตอนนี้ก็ลงมติอีกันห้ามเก็บไปแจกจอดแน่นทั้งหมดได้แต่ก็อาจจะมีคนแอบอยู่บ้างกันนะ แล้วก็ไม่ได้ควบคุมไม่ได้เขาแต่เนี่คือพวกวิกพวกคุกพวกอะไรคุกนีิเขาปิดประตูแม่ข้านะฮปิดประตูไม่ข้าวโอ้ยต้องผ่านขั้นตอนเยอะจะเข้าคุกได้อุตส่าห์ดันเข้าไปได้อุตส่าห์เข้าไปได้พยานเหลือเกินที่จะเข้าไปอยู่ในคุกเรื่องแย่อะเพราะอะไรเพราะภูมิจิตมันต่ำปรุงธรรมมันต่ำ พบที่เขาอยู่ในต้องตามตามภูมิจิตตามภูมิธรรมของเขาโบราณเขาพูดไว้ว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์คือหมายความว่าการทำความดีต้องทวนกระแสกิเลสมันต้องต่อสู้กับใจตัวเองต่อสู้กับประหาภาษาต่างๆ เราพยายามฝ่าฟันต่อสู้กับบาปกับกุศลทั้งหลายอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องสูญเสียจ้องเสียสละเอาทุกมาลงทุนเพื่อเก็บเกี่ยวสุขในตอนปลายแต่ว่าทางเตียนเวียนลงนรกแต่มันรู้สึกสบายะนะไม่เรียนหนังสือก็สบายอยู่ตำบาตำผับก็สบายเที่ยวสนุกสนาน รอยกายปล่อยจิตเลื่อนไหลไปตามกระแสะความคิดคือบางทีเราคิดไม่ออกกนะันไะมันไม่ใช่คิดในฐานะที่เราเป็นคนแก่หรือเป็นพระแต่เราคิดเทียบเคียงเราสมัยเด็กเนะี่ยเรามีความคิดอย่างนี้ไหมเราถูกชุดไปในสถานที่เหล่านั้นไหมัมนมันใจมันไม่ไปอะ ใจไม่ไปไม่ไม่สนใจใส่ใจที่จะดูที่จะฟังที่จะเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นบางครั้งเราก็ไปพักตอนเด็กๆผมก็ไม่เด็กอะ่ะตอนวัยรุ่นน่ะแล้วก็ไปพักอยู่ใกล้ๆสถานที่ร่งวมต่างๆแต่ไม่ได้เข้าไปมันใจมันไม่ไปก็แสดงว่ามันพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่ส่วนนึง ที่สร้างความโน้มเอียงทางจิตอยันที่เคยยกตัวอย่างว่าไอส้สภพชีวิตเนี่ยมันเกิดปั๊บมาถึงมันจะเลื่อนไหลเข้าสู่กระแสของมารยามันเหมือนกับลูกเจร์เคนลูกเต่าเนี่ยพอออกได้ก็ไหลลงสู่ทะเลเลยไหลลงสู่แม่น้ำเลยสัตว์โลกทั้งหลายกัมีลักษณะยอยางีง แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันพื้นฐานเป็นผู้ใคร่ทำฝ่ายทำเนี่ยมันก็ไหลเหมือนกันจะไหลไปีกอย่างหนึ่งกรดูตัวอย่างถึงบุคคลบางคนเช่นสมเด็จพระมหาสมาเจา้ากรมพยาวิชญาณว โ, โรรเนี่ยพระประวัติท่านแปลกอะ่ะผู้หญิงอุ้มไม่ได้มีแม่กับป้าถูกได้อย่ทงคนคนหนึ่งถูกไม่ได้ร้อง แล้วก็เล่นเป็นการบินธบาตเล่นเทศนะเล่นบิณธบาติเล่นหุ่มจีวรเล่นอะไรแต่อะไรเงี้ยเล่นเล่นเป็นพระก็เป็นความโนมเอียงของต่างตุนพอพนวดได้ก็ไปเลยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกคือราชการที่สีนส่นิสันทรง ตั้งพระนามถวายพระนามบมนุษนาขมานพแปลว่าคนนี้เป็นนาคนาคที่เป็นคนเน่ยคือมันตอนท่านประสูตรนี่ฝนตกลงมาอย่างแรงพอประสูตรเสร็จแล้วคนหายไปได้าการที่สี่ท่านก็นึกถึงตอนที่พุยวเจ้าประทับเสวยมุติสุขอยู่ภายใต้ต้นจิกชืิวมุจลินเนี่ยที่พญา น, นาคมาวงขนธ เหตุการ้เกิดพระวุทธรูปบางนากปกเนี่ยตอนนั้นกิดเหมือนกันฝนตกตลอดเจ็วันระครบ7วันหายฟ้าใสฟ้าสว่างพยานาก็กลายเป็นมนุษย์เลยก็เรียกว่ามนุษย์มนุษนาคข้มามนุษย์เราท่านก็เป็นเทพมหิสักที่เกิดมาเพื่อ หรือฟื้นพระุธศาสนาปรับปรุงพุศาสนาได้เยอะนะคืออย่างนึกว่าถ้าหากว่าท่านไม่อุบัติมาเนี่ยเราก็นึกภาพศาสนาไม่ออกเหมือนกันนะเราความคิดความอ่านตั้งแต่เนี่ยท่านสิ้ น, ปนไปชนไปแปดสิบแปดสิบสี่เนี่ยแสี่แปดสิบห้าปีแล้วก็ ควาิดประมาณยังไม่เห็นก้าวหน้าเลยก็ยังก้าวไปไม่ถึงความคิดที่ส่งประธานส่งดำริไว้ส่งคาดหวังไว้มันอยู่ในภาวะที่กินของเก่าโดยไม่มีการสืบต่อท่านสังน่งโทนให้สืบต่อนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สืบต่ออะไรกันเท่าที่ควร นี่คือคือความโน้มเอียงในทางจิตเพราะจึงทรงแสดงว่ากุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องสูงชั้นใดความไม่เบียดเบียนก็ฉะนั้นเหมือนกันมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้เบียดเบียนหมายความไอคนที่เคยเบียดเบียนเบียดเบียนอะไรตอะไรนเนี่ยเราอย่าลืมมาเบียดเบียนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการ ลงมือลงไม้หรือว่ากล่าวร้ายทําลายอย่างเดียวเด็กคิดร้ายเนี่ยอยุหิงสาสังกปะเนี่ยดำริคิดร้ายในทางคิดแช่งคิดจะเกิดความพินาศคิดริษยาแต่คิดประทุษร้ายเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีการพิบัติอะไรแต่ใดไปบาปทั้งนั้นนะเพราะใน น, น้าประไทัยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันพลิกสุดขั้วไปเลยเนี่ย เป็นกระดุนามาณโวเป็นกระรุนาดุดห่วงทะเลหลวงที่อะไรตกไปก็ได้รับได้ทั้นนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งอะไรที่แปลกปลอมเนี่ยจะสัดขึ้นฟังพระอุปมาเทียบเทียงกับพระธรรมบินัยหัวใจอุปมาเทียบเคียงรธรรมบิ น, นั ย, เ, ยรรนหนเหมือนมาสมุทร มันสิ่งทุสิงมันลงมาได้แต่ว่าถ้าแปลกปลอมแล้วก็จะถูกสกัดออกไปคือจะต้องซัดขึ้นฟังไปทีนี้ก็ส่งกลับมาที่ที่ที่กุศลก็บดต่อนะฮะคือยังอย่าลืมมากุศลกรรมบทเนี่ยมันเป็นบทสรุปตรงนี้ที่จริงถ้าเราจะเรียบเรียงนะฮะจะเรียบเรียงเอากุศลบทเป็นเป็นหลักแล้วขยายจากกุศลกรรมบทเนี่ยมันจะคลุมหมดเลย โรรโมททั้งสูตรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความเป็นกุศลกำาบดตอนมโนสุจริตเนี่ยมันเป็นที่รวมของกุศลระดับหยาบกลางละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงเป็นญาณ น, นะจนถึงญาณจนสัมมาญาณสัมมาวิมุตตไป แล้วก็สงกลับมาที่ ท, ท, ที่กุศลกำหนดอีกต่อหนึ่งรับสั่งว่าการเว้นจากปานาธิบาทมีไว้เพื่อเพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นต้นก็ก็ว่ามาเรื่อยอีกน ะ, ะกลับมาอีกรอบหนะะึ่งธรรมชุดนี้แต่ว่ากันตามความจริงก็น่าน่าจะเรียบเรียงเป็นเป็นหนังสือนะฮะน่าจะทำเป็นหนังสือแต่ว่าต้องเรียงโดยสรุปเพื่อทาความเข้าใจให้กระชับ เราอาจจะเอาพวกกิเลสมาเกาะเป็นกลุ่มเป็นกิ่งของโลภโกรดหลงก็ถืว่ามามาชุดเดิมนะฮะแต่ว่าความเช่นเช่นว่าความไม่ตีเสมอมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักตีเสมอตอนนี้ผูด้ดับแล้วนะตอนนี้ผู้ถึงดับละเรื่องใหญ่เลย เพราะการดับนี่มันไม่ใช่ดับได้ง่ายมันดับได้เดือมคากเพราะอย่าลืมว่ากิเลสทุกข้อนะฮะดับด้วยจิตสามัญไม่ได้แม้แต่ระดับอ ร, รูปฌานที่พระเจ้ารับสั่งว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขขวิจานเป็นหลักการให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ดับเ้าไม่ได้ พันเริ่มดับได้ที่เป็นเขาเรียกว่าสมุดเฉดตาหานคือดับได้เด็ดขาดหรือสมุดเฉดธนิโรธคือดับได้เด็ดขาดหรือสมุดเฉดธนิพานก็เหมือนกันนะฮะดับได้เด็ดขาดมันดับได้เด็ดขาดตั้งแต่ประโสูาบันขึ้นไป คนเราก็อย่าคิดว่าเก่งนะฮะถ้ายางเป็นสามัญชนอย่าถึงความไว้วางใจอย่าถึงความไว้วางใจว่าเราจะหนักแน่นมั่นคงคือเรานึกถึงเหตุการณ์ประเทศเพื่อนบานสมัยที่เขาเป็นคอมมิวนิสตนะ์คือเราเห็นว่าเขมรนี่ฆ่าเยอะแต่ลาไม่ฆ่านะแต่ว่าใช้วิธีเอา ตำแหน่งราชการเอาปัญญ า, าเอาบ้านเรือนอะไรแต่ไรขาล่อก็ดูดเอาไะเรียนศึกไปจำนวนมหาศาลนั่นแนหะสังกราชก็ต้องมนีข้ามฟากมาสินประชนุนที่เมืองไทยมาจึงได้มีส่วนเป็นกรรมการในการจาัด ก, การพระสบไปด้วย ก็เมื่อวันนี้เราเห็นว่าเขาก็มีเป็นมหาที่เราเรียกเขาว่าสังกัรธาแต่จริงๆก็มีตําแหน่งเป็นมหาเพราะจริงๆเขาเรียกสังกราชไม่ได้คือสังกราชเนี่ยประมุกแผ่นดินต้องเป็นพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่เรียกสงเดชเราได้มันต้องเกิดขึ้นจากการสถาปนาของพระสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระราชจำนาท่า ยันลังการเรียกไม่ได้เรียกสังกัาดไม่ได้แต่ว่าคนไทยขี้เห่อ เ, เขาเรียกหมานายเกะนั่นเองหมานายาเกหมานายกอะเว่าผู้นำสงหมู่ใหญ่แต่ก็เป็นเบี้ยวหัวแตกก็คล้ายๆกับพบพ่อเจ้าคณะจังหวัดเราอ่ะ ก็เป็นประมุขมันเยอะมาในาเกมเยอะนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่หนักแน่นภายในจิตเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันมันแค่จะเป็นจะตายนะเขาเรียกว่าถวายอกถวายอกในพระพุทธศาสนา เป่ถวายชีวิตในรุทธศาสต ร, ร์นะมันก็พูดได้ฮะแต่ว่าถ้าถูกโยกเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งต้องคิดเพราะมันยังดับไม่ได้เราจะเห็นว่าว่าในตอนที่ทรงเทียบกุศลนะกุศลเนี่ยก็ทรงยกตัวอย่าง ว่าการลดเว้นจากปานาธิบาตมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ค่าสัตว์แล้วก็แล้วก็มาเรื่อยมานะมาจนถึงถึงอีชุดชุดหนึ่งแต่ว่าแต่ละชุดเนี่ยนะแต่ละชุดจะทรงสรุปไว้ที่ทิฐิซึ่งถือรัน ว่าความเป็นผู้ไม่ลูกครัมทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและไม่สลัดทิ้งไปได้โดยง่ายเป็นทางสมบัภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ลูกครรมทิฏฐิของตนยึดมั่นยึดถือมั่นและที่สลัดคืนได้ยากได้โดยยากก็เป็นการมองในลักษณะเทียบเทียง แล้วก็ให้ชัดเจนในโทษของการเป็นเช่นนั้นจากนั้นก็ส่งส่งอุปมาใหม่ว่าดูก่อนจุนทะผู้ที่ตนจมลงอยู่ในปรักอันลึกแล้วจับยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปรักอันลึกข้อนี้เป็นธรรมะฐานะจะมีไม่ได้ คือหมายความมาคนหนึ่งติดโครนคนหนึ่งติดโครนนใครช่วยใครไม่ได้จะมีโครนเคยไรรับสั่งแสดงถึงช้างศึกของพระเจ้าประเนสนีโกศลพระตกลงไปในสะบกรณีคือตอนปลดระวางแล้วนะก็ปล่อยเที่ยวกินหญ้าโดยอิสระไม่มีการผูกล่ำอะไร ก็พลาดตกลงไปในสระออก็ขึ้นไม่ได้ต่อมาปุโรหิตก็แนะนำว่าไอ้เอาตีกรองศึกพอตีกรองศึกในช้างนึกว่าค้าศึกมาล้อมพนครเมนหึดสัวแบบช้างศึกขึ้นมาเองได้โดยใครไม่ต้องช่วยทิศสูทั้งหลายก็ตื่นเต้นใสจันก็มากราบทูนพระพุทธเจ้า พระเจ้ารับสั่งว่าเธอทั้งหลายเนี่ยอปมาณเรต า, าโหทะจงยินดีในความไม่ประมาทสจิตะมนุรักคะทะจงตามรษาจิตของตนทุกขาอุทะรัตตาหนังจงถอนตนขึ้นจากลมบังเกสันโนวคุณชโรเหมือนกุซชอนติดลมถอนตนขึ้นจากลมฉะนั้น ตอนลมลมคนละลมนะฮะแต่ลมมนัษน์เป็นลมโคลนแต่ลมในโลกมนุษย์เนี่ยคือกามาคุณให้ลองสังเกตว่าคนเนี่ยติดไอ้พวกนี้อาจจะเรียกว่าบ่วงก็ได้อาทรัพย์บุพัญยาสามีเนี่ยขี้เกียจตายนะไปไหนไม่รอดนเพราะมันเป็นลมมันติดมันหนืดมันยกมันขึ้นมาไม่ได้หรัะ ก, การถอนตนขึ้นจากลมเนี่ย มันจะต้องไม่ประมาทแล้วต้องรักษาจิตของตัวเองโดยหลักการเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาี่ยแตอนโดนขึ้นมาจากลมเพราะงั้นในที่นี้ทรงพูดถึงหลมแล้วปลักทรงใช้คาปลักนะฮะปลักหรหลงหรเหมือนกันนะคือปลักที่จริงที่จริงเข้าที่กว่านะฮะปลักแต่ว่า ป, ปลักมันไม่ค่อยแน่นอะคือปลักมันมันมันเป็นหนองเป็นอะไรส่วนมากพกควายติดลงปลัก แต่ว <asthma> ่าปรักนี้ต้องลึกแล้วฮะปรักปักลึกแล้วตัวรับสั่งว่าลุกคนตนทะาผู้ชี้ตนเองจมอยู่ในปรักอันลึกแล้วจกยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปรักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปรักอันลึกจกยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปรักอันลึกที่จมอยู่นะฮะ จะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปรากอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือต่างคนต่างไม่จมนะผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปรากอันลึกจกยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปรากอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะเราเห็นว่าการมคุณเนี่ยคนมันต้องนายอ่ะ ถ้าไม่งั้นก็สอนก็นยากนั่งรับศีลเสร็จแล้วออกจากวัดก็เข้าบ้านเลยพูดก็ยาก น, นะเพราะนั้นจิตมันต้องคลายก่อนนะมันต้องเกิดเบื่อนหน่ายต้องคลายกับหนาต้องปล่อยวางบ้างไม่งั้นคนอื่นช่วยไม่ได้มันใกล้ๆคนล้มนะ่ะคนล้มเนี่ยคือคนอื่นยกเนี่ยเขาต้องเขาต้องช่วยตัวเองได้ด้วย ไม่จะปล่อยเพื่อนยกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่หนักแย่หละ ย, ยกไม่ได้ถ้ายกก็ต้องช่วยกันหลายคนจะมีก็รับสั่งว่าผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้แนะนําตนจักดับกิเลสไม่ได้ด้วยตนจักฝึกสอนจักแนะนําผู้อื่นจักให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ หมายความตัวเองปฏิบัติไม่ได้เนี่ยแต่จะสอนให้นคนอื่นปฏิบัติมันก็เป็นแม่ปู่ลูก ป, ปู่แล้วก็ว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองปนพระเนี่ยจึงสอนในฐานะเป็นราชทูตอันนี้เป็นเรื่องต้องสนหนักนะเป็นเรื่องต้องสนหนักไม่ใช่นักเทศน์นึกจะด่าใครก็ด่าเรื่อยไปต้องสนหนักว่าเรา ทาหน้าที่ราชทูตอ่านราชสารของพระพุทธเจ้าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันที่เราทำไม่ได้แต่แน่นอนระดับศีลที่ว่าเนี่ยพระต้องทำได้อยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้วแต่นี่มันมันไปถึงนิพพานนั้นเพราะนั้นบางตอนเราก็ทำไม่ได้เราก็ยังไปไม่ถึงเหมือนกันแต่เราบอกเล่าบอกกล่าวอย่างพระสูตรเนี่ยคือเราก็มีหน้าที่บรรยายตามพระสูตร หรือแม้แต่ว่าปาตกถาบรรยายหรือแม้แต่ตอบคำถามวันวันจันที่มาตอบเนี่ยคือถ้ยินคำถาม ป, ปั๊บไปเราต้องนึกถึงหลักทันทีเลยมันไม่ใช่ความเห็นนะอามาไม่ใช่ความเห็นเามาใช้คือหลักฐานความจริงว่าคนนี้ผู้เจ้าสงสดงอย่างไรแต่เราต้องพูดโดยภาษาที่ง่ายโดยอัถะแล้วต้องมีที่มาที่ไปตลอด ถ้าใครต้องการถามว่าอยู่ที่ไหนเราบอกได้แต่ว่าบางอย่างมันไม่ตรงตรงมันไม่ตรงตัวเพราะเหตุการณ์มั น, นเหตุการณ์กันแต่ว่าเทียบเคียงเป็นหลักการในการเทียบเคียงที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นหมาประเทศนั่คือเทียบเคียงมันไม่เหมือนกันเดียวเรานคนละเรื่องกันคนละยุคคนละสมัยกันแต่ว่าเทียบเคียงอย่างที่วันก่อนที่เขาถามถึงอะไรถึงวาย ดื่มได้หรือไม่ได้อามาก็ไม่เคยเห็นวายก็บอดีนะยังขอบใจท่านเภสัชกรท่านหนึ่งท่านโทรมาบอกว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่สิบสองเอร์เซ็นต์แต่ ว, ว่าโอยตั้งงี้สันดื่มไม่ได้คืออะไรครือรถเทียบเกียงกับมมรัยเพราะเมรไรมันต่ํากันนั้นก็ยังห้ามเลยวายสูงขนาดนี้แอลกอฮอล์สูงขนาดนี้ไม่ห้าอยังไง ยังไงไหวคือเราต้องมีหลักตลอดไม่ใช่ว่าพูดเราเอง mm hmm. ตรรมาไม่ก็ยชอบแบบพระที่ชอบพูดออกความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ชอบคือเราเป็นผู้สนองงานพระพุทธเจ้าเราไม่เราเป็นเด็กรับใช้อ่ะเราผู้สนองงานอ่ะเราไม่มีหน้าที่ ที่ไปจะออกความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเห็นส่วนตัวมันไม่เห็นอะเราไม่มีความเห็นแต่ว่าหลักอย่างเนี้ยมันหลักมันเป็นยังไงตัวหลักเนี่ยมันวายัางไงอย่างนี้อย่างอย่างเนี้ยว่าอย่างสมมติว่าหนังสืบพิมพ์ก็ลงข่าวแล้วก็ตัดสินเลยชี้ไปชี้ถูกไปเลยเนะี่ยเราว่าหลักมันไม่ใช่อย่างนั้นะอัตตานิุตาเราต้องรู้จักตนเราไม่ใช่สาร เราก็จะสารรู้แต่เจ้าทรงใช้คำว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำแหน่คนที่ควรตำแหน่ง ม, มนันเขามีการกระทาที่ควรตำแหนิงตอนนี้ก็เป็นเพียงข่าวละ น, นั่นเองเขาถูกหรือผิดยังไม่รู้ยังไม่ผ่านกระบวนการตัดสินเลยแต่สื่อสารบ้านเราเนี่ยแกตัดสินก่อนทุกเชีอ่ะแกเป็นหมดเลยในะกระบวนการยุติธรรมอันนี้น่ารังเกียจมากเลย ลองอ่านข่าวดูเถอะถ้าสินที่ผิดจะพิชิที่ที่ถูกไปแล้วยิ่งพวกเอามาอ่านเนี่ยอ่านออกวิทยุอ่านออกโทรศัศน์เนียไปเลยฮะอ่านเข้านะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปคนคนรายงานข่าวได้เป็นใครรีพอร์เตอร์รีไรเตอร์เนี่ยแล้วจะเป็นคนคนรายงานข่าวก็รายงานรายงานกับโทรศัพท์มือถือ คนเขียนก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เขียนไปเลยผ่าดหัวสรุปเองผ่าตื่นเต้นผลแทงเมียตายอย่างเงี้ยหลวงผ่าหัวเงี้ยต้องการให้คนฟังเนี่ยเข้าใจว่าผลเป็นนามทั้งทั้งที่ผลเป็นกิิยาคนก็ตื่นเต้นเป็นห่วงผลสมัยนั้นเป็นห่วงผลตกใจว่าผลแทงแทงเมียตายสื่อพิมพ์ก็เลขขึ้นพรวดเลย อ่านแล้วเปล่าผลเป็นกิริยาเป็นกิริยาที่สามีผลก็แทงเมียดูที่เขาทำอันนี้คือคือคือมันผิดหลักอ่ะมันผิดธรรมะมันเจตนาลมเนี่ยไม่สุจริตเจตนาจะหลอกลวงเพื่อขายขายข่าวมันก็ผิดอ่ะมันก็ผิดตั้งแต่มุสาวาท แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าตรงๆมุสาวาตรตรงๆแต่ว่าถ้าเรานึกได้ดีแล้วเนี่ยมันครบองค์ขอ ง, ของมุสาวาตรท<อ>ั้งฟังทั้หลายเสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ข้อความจเจริญงอก ง, งามไพ่บูธในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี